พระบัญญัติ816ก็ภิกษุณีใดโปรนิบัติภิกษุผู้กำลังฉันอยู่ด้วยน้ำดื่มหรือด้วยการพัดวีต้องอบัตตาจิตตีเรื่องอดีตพระยาของมหาหมาจบ